เออหมดเลยยังดิ ด, ดันี่ตำรวจเดินหลวงพ่อจะสรุปการอาพาธขององค์หลวงตาให้ฟังออก่อนเนอร์ทนีเนอวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2553สรุปอาการอาพาธองค์หลวงตามหาบัวชนะสัมปันโนนะอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าคณะแพทย์ท่านท่า น, ท, านท่านเขียนมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะได้อ่านให้ คณะสัต ย, ยาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายคงอยากจะทราบว่าอาการอภายขององค์หลวงตานั้นมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่วันที่ยี่พาวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกแล้วนะแต่วันที่ยี่หกแล้ ว, วันนี้แต่สรุปเมื่อวันที่ยี่พาที่ผ่านมาแต่หลวงพ่อเองก็ขึ้นไปกราบองค์หลวงตาตั้งแต่เช้ามืดเมื่อเช้าเนี่ยท่านก็ถามว่าอืเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาตมาภาพได้กราบเรียนหรือไม พระสงฆ์กำลังบินท่บาทกับผมประมาณเจ็ดโมงหูเราว่ามันเป็นตอนเย็นเนี่ยวะท่านานะว่าเนีเราว่ามันเป็นตอนเย็นเนี่ยนะพอเห็นอะไรเพราะท่านอยู่ในห้องใช่ไหมยก็ไม่ได้ออกมามก็ใช่เลยสิมันก็เหมือนตอนเย็นนั่นแหละท่านก็ท่านไม่รู้เนี่ยตอนเช้าก็ผมเออแต่ก็ท่านลุกมานั่งนะเมื่อเช้าเนี่ยดูใบหน้าท่านก็สดใสนะสดใสดู ด, ดูแล้วก็ท่านยังพูดได้อะไรได้ มีน้ำมูกหลยอยู่นะมือเช้าเนี่ยท่านก็เช็ดเช็ดน้ำมูกนะเช็ดน้ำมูกอยู่น้ำมูกไหลออกนะน้ำมูกยังมีน้ำมูกไหลยอยู่นะมือเช้าเนี่ยคณะแพทย์ได้กล่าบเปียนรายงานต่อคณะสงฆ์ว่านะคือมีพระมีคณะมีคณะแพทย์มีพยาบาลชายอยู่สองคนเป็นประจำที่กุดหลวงตามไม่เคยขาดตลอด24ชั่วโมงนะมาจากโรงพยาบาลศูนย์อุดร แต่หมอก็อยู่ข้างนอกหมอผู้ชายเวนมีหมอทางศีระครินด้วยและก็หมอศูนย์อุดรด้วยที่มาอยู่ข้างนอกกดติขององลวงตาสรุปแล้วก็คือไม่เคยขาดหมอนั่งประจำอยู่ตลอดแต่แต่พยาบาล น, นั้นพอสายน้ำเกลือและสายสารอาหารเข้าไปดังติ๊ดๆิติดแปลว่าพยาบาลโรธมาก่อนแลว้วงั้นเถอเร็วมากเลยว่างั้นะ เนี่ยคือฟังอยู่ตลอดเวลาแต่พระสงฆ์ที่อุปธรรมปฐาก็นั่งอยู่ล้อมรอบใกล้ๆท่านบางทีก็นวดถวายท่านบ้างนวดเบาๆงั้นเถอะคือการนวดเบาๆเนี่ยคืเพราะอะไรเพราะบางลงตาไม่ได้ออกกำลังกายนะไม่ได้เดินไม่ได้อะไรอาจจะเลือดอาจจะไม่วิ่งไม่เดินอย่างนั้นแหละพระสงฆ์ก็เลยพระอุปธัรมปฐาก็ช่วยช่วยกันไปนวด ตามเท้าตามมือตามแขนขาขององค์หลวงตาเพื่อจะให้หลวงตาเลือดลมจะได้วิ่งแต่เราก็ไม่ได้พระไม่ได้นวดแรงว่าท่านหลวงตาท่านผอมผอมมากนี่แหละคือมีพระเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงมีพยาบาลเฝ้าอยู่เพราะนั้นคณะสัตายาญาติโยมที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์เก่าแก่พระองค์หลวงตาที่มีอายุนะ ที่มาไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือว่าดูโทรทัศน์นะก็คงจะเป็นห่วงองค์หลวงตาโอ้หลวงตาแต่ละวันเป็นยังไงเนาะไหนเพราะนั้นแหะอาตมาภาพหรือว่าหลวงพ่อได้ชี้แจงให้ฟังนี่แหละถือว่าเรื่องเป็นห่วงก็อดไม่ได้แหละต้องเป็นห่วงด้วยการทุกคนขนาดหลวงพ่ออยู่ใกล้หลวงพ่อยังเป็นห่วงถ้าอยู่ไกลก็ยิ่งเป็นห่วงทำไมอยู่ใกล้ได้เห็นด้วยสายตาก็เป็นห่วงอีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันนะคือว่าเป็นห่วงท่าน แต่ตามไม่จริงไม่ใช่ห่วงจิตห่วงใจของท่านนะจิตใจของหลวงตาเนี่ยท่านบอกว่าในใจของเราไม่มีอะไรนะเมื่อวานนี่นะอตอนเย็น่ไปนั่งหลวงปู่ลีก็นั่งอยู่ที่นั่นแหละแต่มาภาพก็นั่งอยู่ในใจของเราไม่มีอะไรนะเขาว่าความเด็ดเดี่ยวของหลวงตาเนี่ยยังเป็นหนึ่งอยู่เสมอเหมือนกออในใจของเราไม่มีอะไรนะออแต่ว่าสุขภาพของเราอ่อนลบไปเรื่อยๆ ท่านพูดเมื่อวานในตอนเย็นนะอาจจะมาภาพได้เข้าไปกราบผมมาถึงก็เข้าไปกราบท่านสุขภาพของเราอ่อนลงไปเรื่อยๆนะเหนื่อยเหนื่อยเพลียเพลียเหนื่อยอืมท่านย้ำทึ้งสองสามครั้งเลยว่าในใจของเราไม่มีอะไรนะเนี่ยในแง่ของความบริสุทธิ์หลุดพ้นของท่านน่ะถึงยังไงกับความบริสุทธิ์คือคืออย่างเก่าอันนี้คือขันของร่างกายของท่านเนีอยพลาเฮเวปัญจักขันทาขันทั้งห้าเป็นภาระหนักย ท่านต้องแบกภาระของขันเพื่อใครเพื่อพวกเราท่านทั้งหลายนยไม่ใช่เพื่ออื่นไกลเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะสรุปแล้วก็คือให้คิดดีทำดีพูดดีที่ไมเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตานะอาการคณะสิ่งที่หมอชี้แจงมาให้คณะสงฆ์หมอเขาราย ง, งานผ่านคณะสงฆ์เขาบอกว่า หลวงตามีอาการไอแห้งๆมีอาการไอแห้งๆบ่อยครั้งไข้ต่ำๆอ่อนเพลียงดฉันอาหารแพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะปอดอักเสบติดเชือ้อคงจะดูๆฟังดูปอดของท่านมันมีอะไรอยู่นะมันมีขกหั ก, กหกหักคล้ายๆก็ไม่ไมคล้ายว่ามีสเลดนะลักษณะอย่างนั้นปอดติดเชื้อ ได้ถวายการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะยาขยายหลอดลมย้ายกกว่ายให้ให้ลดให้ยาขยายทางหลอดลมเพื่อให้ลกหูกตาของตาหายใจสะดวกและสารน้ำทางหลอดเลือดคือให้น้ําเกลือบวกกับยายาปฏิชีวนะนะแล้วก็สารอาหารเข้าไปที่งดอาหารก็คือต้องเพิ่มสารอาหารเข้าไปทางหลอดเลือด อาการเหนื่อยหอบลดลงแต่ยังคงอ่อนเพลียคืออ่อนเพลียของลงตาเนี่ยยังยังมีอยู่จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันคณะสงฆ์ผู้ถวายการอุปถากอันนี้ก็คื อ, อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2523นะ แต่เมื่อเช้านี่อย่างที่อาตมาภาพหรือหลวงพ่อได้เรียนให้แก่ขรร甲ติโยมฝังเมื่อกี้เนี่ยท่านลุกมาเมื่อเช้านี่เจ็ดโมงหลวงพ่อเห็นแล้วก็หน้าตาสดใสแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ท่านเขาเข้าห้องน้ําไปนั่งอยู่ประมาณชั่กสิกวนาทีแต่ก็ไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายเพราะไม่มีอาหารที่จะถ่ายอย่างว่าเนี่ยท่านไม่ได้จัดอาหารจะถ่ายเมื่อก็คงคงจะไม่มีและกั น, น้ำเนี่ย จะน้ำเนยรู้สึกว่าปั จ, จะวะน้อยไปหน่อยตามที่แพทย์แนะนำนะแต่ทีนี้พวกคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายคณะสัท ย, ยาญาติโยมผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถวายการรักษาขององค์หลวงตาอาพาธคนณะสงฆ์และคณะศิษย์ก็ได้ร่วมกันพิจารณาทั้งหมออาจารย์หมอศิริราชทั้งโรงพยาบาลศรีนคริน แล้วก็ทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรได้ร่วมกันและกับแพทย์อีกและกับแพทย์ทางเลือกอีกนะที่เขามาไปชุมหารือกันแต่ตามไม่จริงคณะทั้งแพทย์ทั้งหลายก็ได้ไปชุมกันเมื่อวันที่23ครั้งหนึ่งพร้อมกับคณะสงฆ์ก็เห็นทุกคนก็บอกว่านะบอกว่าการอาภาษณ์ของตาสิทธ์ทุกท่านเจตนาดี สิทธิทุกคนเจตนาดีด้วยกันทุกคนแต่ยาแต่ยาที่ถวายท่านอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ดีตามเจตนาดีก็ได้คล้ายเขาว่าทุกคนเจตนาดีเหมือนก่อนแต่ก่อนนะถวายยาองค์หลวงตาด้วยเจตนาดีแต่ยามันไม่ดีอย่างที่เจตนาไม่เหมือนหมอเติงนะหมอเติงนะถวายองค์หลวงตา ข่าวนั้นรู้สึกอาการลุงตาป่วยกระสอบกระแสะนะแต่หมอเติ้งเอายามาถวายลุงตาได้ฟื้นขึ้นมาไ ด, ได้ทําโครงการช่วยชาติชาจะว่าไปแล้วหมอเต้งเป็นผู้มีบุญคุณกับพวกเราอย่างมากนะมีบุญคุณต่อประเทศชาติอย่างมากถ้าว่านลุงตาไม่ได้รับยาหมอเติ้งข่าวนั้นนะลุงตาคงไม่มีคงไม่หายจากโรคภยยัยไข้เจ็บในคราวนั้นหมอเติ้ง ไถวายยาองค์หลวงตาหลวงตาก็เลยไต้ทำโครงการช่วยชาติในคราวนั้นแต่คราวนี้ใครๆก็อยากจะให้ยาตัวเองดีทั้งนั้นเหมืนกัน่หรืออาจจะดีตามเจตนาก็ได้ยาบางตัวอาจจะดีอย่างเจตนาก็ได้แต่ทางที่ถูกทุกคนรักเคารพในองค์หลวงตาด้วยกัน ก่อนจะถวายการรักษาควรอย่างยิ่งสมควรอย่างยิ่งจะต้องปรึกษากันก่อนทั้งแพทย์หลวงแพทย์เล็กทั้งแพทย์หลวงแพทย์เล็กนะคือแพทย์ทางเลือกนะแพทย์เล็กนั่นแนะแพทย์หลวงก็คือแพทย์จากโรงพยาบาลแล้วจึงถวายยาการถวายการรักษาจะสบายใจจะสบายใจทั้งผู้ถวายและผู้เกี่ยวข้องทุกคนอันนี้เขาขอ แจ้งให้แก่พี่น้องประชาชนจัตายาญาติโยมที่รักเคารพในองค์หลวงตาด้วยกันถ้าว่าผูดด้ใดอยากจะถวายยาเออใช่ยาบางครั้งก็ดีแต่องค์หลวงตาขนาดนี้แล้วควรจะถวายยาตัวไหนก็ควรจะหารือกันคปรึกษากันในพี่น้องพวกเราเป็นพี่น้องจะรักษาพ่อของเราอย่างไรไม่ใช่ว่าน้องจะทันดันทุลังพี่จะดันทุลัง คนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนรับเคารพในองค์หลวงตาด้วยกันเพราะนั้นหลวงพ่อว่าเนี่ยพวกเราควรจะหันหน้าเข้าหากันทั้งหมอหลวงหมอลาดทั้งหมอเล็กหมอใหญ่เพราะงั้นแต่หมอหลวงหมอเล็กเพราะงั้นหมอหลวงหมอหลวงคือหมอโรงพยาบาลหมอเล็กคือหมอทางเลือกถ้าว่าพวกเรามาเป็นึ่งเดียวนะคิดตี คิดร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็การกระทำถวายยาองค์ท่านเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็การพูดก็เป็นหนึ่งเดียวอีกคือไม่พูดไปทุกคนละทิศตัวคนละทางนะการพูดก็สำคัญเหมือนกันนะทำให้พวกเราไวา้ขวยไดไง้ง่ายง่ายเหมือนกันแต่ถ้าพวกเราพูดไปในทางเดียวกันเพราะทำแบบเดียวกันคิดแบบเดียวกันทาแบบเดียวกันพูดก็ต้องเป็นแบบเดียวกัน ถ้าว่าพวกเราทำได้อย่างนี้พวกเราสบายใจด้วยการทุกคนถึงลงตาจะหายหรือลงตาจะเป็นอะไรเพราะร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แนนอนแต่พวกเราก็สบายใจด้วยการทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะเอาสุดรักษาสุดความสามารถสุดความสามารถของพวกเราแล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าว่าพวกเรายัง คนหนึ่งไปยังห่งคนหนึ่งไปยังหนึ่ ง, นน ง, ง, งติกันติมาติไปติมาตนิกันตนิไปตนิมามันไม่เป็นผลดีสำหรับลูกศิษย์นะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราทุกท่านถึงพวกเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องถึงพวกเราจะนั่งอยู่ข้างนอกอย่างเนี้ยอืมแต่ขอให้ใช้พลังพลังใจเออขอให้หลวงตาหายจากโรคพาปยาดโดยเธอนะนิดในใจนะ เ, เวลาเราไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนา เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราปรนมมือตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายทั้งมวลนะขอขอให้เป็นพรังเกื้อกูลหนุนสุขภาพขององค์หลวงตาขอให้หายจากโรคาพญาติโดยเร็วพรานด้วยเถิน